น้ำก็ไม่มีมากไปกว่าเท่าที่มีอยู่แต่ถ้าเขามีน้ำเพียงพึ่งแก้วแล้วเขาหยุดเขาไม่เต็มน้ำเขาก็ได้น้ำเพียงพึ่งแก้วนั่นก็อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ใจเพราะว่าใจมันก็เป็นเป็นเรื่องบุญไม่ยังไม่ยังยังไม่เต็มยังถ้ายังไม่เต็มใจเขาก็ยังต้องมีความหิวอยู่เมื่อยังมีความหิวก็ยังต้องมีการไปเกิดอยู่ ก็ม okay. ีคนพูดอย่างมีหลายคนเขาเขาบอกว่าเขาเขาไม่ชอบทําบุญแต่เขาก็ไม่ได้ทําบาปที่เราก็ไม่ได้ถามนายเรียวว่าการไม่ไม่ทําบุญนี่หมายถึงอะไรบ้างเพราะบุญมันมีต้องหลายอย่างบุญมันมีต้องสิบชนิดด้วยกันถ้า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 ทาพภาออกไปเท่นผ่านใหไปรอบโลกก็ไปได้ถ้าจาัดถ้าถ้าจาัดถ้าจาัดภาป่าไปอินเดียนี้ห้องยังมีคนไปอันเียวนี้ฮ่าฮ่าฮ่ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าย่่า่ ใจยังสู้กำลังของการว่าตัญหาผักออกไม่ได้กามว่าตัญหาหนี่มันจะผักจใจแห้งออกไปสวงหารีดเสียงกิ่นรสถ้าถ้ามีธรรมะ ม, มีสติก็จะมีกำลังดึงใจเข้ามาข้างในง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 พรคยาเสพตินี่มันพอเสพกวมันมันไม่มีความสามารถที่จะไปทำทำงานทำารดูแลสุภาพเร่องางกายคิ้วส่วนต้ตนได้มันก็จะทำให้ต้องไปทำบาป ท, ทำอะไร ง, ง่ายสุดโรคยาเสติดนี่จะไม่มีอาชีพทำมาชีพ ต้องไปทายาสินตุกไปทำอาชีพที่ได้เงินมามนง่ายๆก็จะรั่วก็จะอยู่ในกลุ่มของอบายามุขพวกเจตลายา ม, มามีชีวิตตังต้งคืนอาชีพตั้งคืน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 ตอนมเย็นกลับมาบ้านก็ต้องเปิดดูละครบ้างติดเพลงฟังบ้างบรมาพูดคุยงองกุฎดอกสมเยจะมองเราคนเดียวต่เห็นคนอื่นก็เป็นอย่างไรไม่นงานสังคมต่างๆนี่มันเป็นเรื่องของของของการเสียูปเสยงกินบ้านท่งานไปงานเลี้ยงไป ไปไปดูคอนเสิตไปดูละคอรออกไปเดินเที่ยวต่างๆเหล่านี้มันเป็นการให้อาหารแก่การมว่าตัญหากรรมว่าตัญหาเมียผีพอให้มาอยู่วัดอยู่อย่างเนี้ยอยู่ไม่ได้หรอกมันไม่มีอะไรนี่ดื้อไทําถ้าไม่ ถ้าถ้าเดินยงกลมนั่งสมาธิเป็นก็จะจะอยู่อย่างเท่าๆออกาันถ้าเดินยงกลมนั่งสมาธิเป็นก็จะมีก า, ารสุขมาอยู่หลงจาาท่านก็นไม่เคยปล่อยให้พระหนึ่งไปงานศพสุบาจาังไม่เคยได้ออกไปไปงานศพของสุบา จ, าจาังเลยครับเพราะว่า ท่านก็เห็นความสําคัญของกงารภาวนามากกว่าการไปช่วยงานงานช่วยงานนี่ก็เป็นงานระดับทางส่วนงานระดับภาวนา น, นี้มันก็จะไม่ได้ทำมันก็จะเสียถ้าถ้าถ้าภาวนานอย่างอย่างอย่างต่อเ น, นี่องก็มันจะทําให้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 ต้องมาตัดส่เพราะถ้าถ้าได้ทำงานภาวนาอย่างสองเมื่อวานไม่ไม่ควรที่จะไปเสียเวลาทงานงานภาพต่างงานกะถิงงานอ่ า, านๆถ้ า, างานวันาานี้ไม่เคยทำงานไหนเลยงานภาพต่างงานกะถึง งานาลองงานที่ไหนไม่ใคยไปวัดหนก็ไม่เคยไปเขาอยู่วัดต า, าวัดตา ก, ก็ไม่เคยออกไปวัดไหนเคยไปครั้งเดียวตพรานั้นเป็นท่านเบตาให้ท่านพระาจารย์อินทายไปนินมนต์พระอาจารย์สิงห์ทองพระอาจารย์สุพัฒน แล้วก็ท่านอาจารย์เสิญที่วัดหนองใสง่ก็จะให้มารับรับทำบุญท่านทําบุญให้กับโยมที่บ้านตากคนหนึงที่มีบุญคุณต่อวัดไม่เลวเขาตายตางแล้วก็ใหนนี้มันกูบยาใจเนี่ยทำยังทวายทำบุญอที่ท่าให้กับก็กรดี ก็เลยวันนั้นไม่ทรายังไงมีพระรูปท่านไปด้วยถ้าว่าเฉลยไปแอบไปเนะเพราะไม่ได้ขออนุญาตนไปรออย่งนี้หน้าประตูวัดนี่ก็หนียไปทางเดียวาราครูใหญ่ไม่อยู่ท่านอยู่ท่า อ, อยู่ที่วั คือตั้งแต่ไปอยู่มันไม่เคยไปไหนเลยมันถึว่าไปวัดอื่นวัดวัดป่าวัดอื่นไม่เคยไปไหนเนยลยเพราะเคยธรรมเนียมที่วัดท่านจะไม่ไม่ไม่ไมาพาพระเนยไปไปศาลครูบาอาจารย์ในเชื่อท่าภาษาเราปรกติวัดเองเราจะพาพระเนยไปศาลไหว้ครูบาอาจารย์ทำวัดขอประมมา ก, กันรลงเท่าภาษาแต่ที่วัดป่าวักราชนี้น จ, นนจะไม่มีธรรมเนียมท่านจะทําของท่านองเดียว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 ต่อความสงบของจิงตใจแล้วถึงเคยได้เคยได้ไปเห็นวัดป่าอยู่ายวัดที่เขาสะกุลกับเขาดอนกระทังนั้นทั้งเดียวตั้งแต่ไปอยูเกือบเก้าปีกับปีกันีก็เด้ออกไปทังนั้นท้งเดียววัด่าจงสิงหทองกับที่วัดาแก้วบุญทมเดินวัดท่าจางสิงห์ป่ใกล้ๆกันเลยไปหน่ย แลลวเราไปตอนนั้นมันนอนท่าตนนอนอาคาบเน่ยมันต้องก่อนสองสามเนี่ยท่านเสียปีสองสามันจะปีสองสองเรือวปีึงก่อนนี่ไนะครับที่พันเราจะไปวันถึงทคนแล้วผ่าแก้วแล้วก็ไปวัดอาจารย์สุภาถึงแล้วก็กําบมาที่รัดพระจ่านหนังแสวทาอาจารย์เสือี่ที่นหนังแซงปู่พูดปูบ ท่านแมกูบัวท่านอนท่านพาดเนียนค่าาจาร์เสรงท่านเป็นเจ้าว่านท่านนั้นไม่เคยไปงานไหนเลยงานศกงานงานฉลองาลางานอะไรต่างอยู่แต่ในวัดตลาดมันก็เลยติดนิสานี้มาไงไง ไปเข้าสังคมของเขาไม่เป็นวันนี้จะไปไปไม่ได้ทำตัวยังไงเพราะใจที่ท่านการไม่ได้ไปพอทีวันนี้การันยุ่งมากแค่จะไม่ไปบีเลยจำลองก็เห็นในนัยการที่เขาถ่ายรูปอย่าืนี้ดีที่สอนวีกเหมือนกับงานวัดทรงทองต้องไปทำคอศพลอยมันก็ต้องเป็นไปตามสภาพของมันซึงมันก็จำลองไปในระดับนั้นมันก็น้าโน้มธรรงานีย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 สมัยที่เราไปอยู่เป็นวัามันตราเป็นอย่างนี้จะไม่มีญาติเยอะที่จะอยู่ในครัวก็มีสองสามค น, นทีนั้นที่คุณมีคุณพาไปอยู่แล้วก็มีมมมอมม่คคีวงฉะนั้นอะไร ส, สีนี้ก็ีสังพี่น้องก็มีแค่นั้นแล้วก็มีในครัวก็มียยมยมมัลลาอางนี้ เงียบไม่เียบมีคนไปทำดีมั้งคนธรรมดานี่ถ้าจะไม่มีรลไฟไปไม่น่ะไม่รู้จักท่านรู้บ้างแต่ก็ไม่มากถ้าจะเป็นช่วงช่วงออกพรรษาก็จะมีพวกไปจับรถบัสแบบพคุณคุณชายฝันจะพาับโชครโชคไปพวกก่อพอพอเขาสายเข้าสายฟักแล้วเขาก็ไปฟังไปจับท่านฟังเท่ก็ขึ้นช่งโมงแล้วครับว่าับกันแล้ว เพระันท่ทานทท่ไม่ไม่ไม่เปิดกว้าง่มาก็ท่านก็รับของที่เขาถวายแล้วก็ทุ่กำน่าสังแล้วก็ให้เรากเองท่านเข้าไปแต่ปีไหนนะนี่แต่อุทเทพช่วงปีสองหดีจังเผลดีมากสองปีสหนึงเพราะช่วงนั้นมีพระคนช่างที่จะเข้าไปกันเยอะแันก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 แล้วก็ทานคิกท่านคิกสเปอร์ที่ช่วยใจ่นเสแล้วก็มีรูเป็นชาวออสเตรเลียแล้วก็มีภระไทยอีกประมาณรับรวมไปทั้งหมดประมาณนั้นเท่า้นท่าน่ะเกืบถึงยี่สิบยี่สิบกว่าใเโยมแต่ท่านเต่าบอกว่านั่งต่อจะท่านล้วนั่งติดกันท่านจะมีนั่งติดกันเรานั่งติดกับท่านสิดใจ ตอนั้นที่ไปก็สมนนั้ที่ไปก็อานารมีหลวงตาแล้วก็อาจารย์วินมีแล้วก็ลวงปุ่ลีแล้วก็ท่านอึ่นท่านอาจารย์อินทวายท่านปัญญาท่านเชอรี่แต่ท่านอาจาร์อุตอท่านอจร์อินท่านอจ์อนตอนั้นไม่อย so um, ู่แ like ล้วเขาไปแลอยู่กับท่านอาจารย์สิงทองที่รัฐราน ไม่อย่นะไปแล้มลย่าะงั้นก็มีพระอาจารย์บุญนีที่อยู่เป็หลัก อ, อยู่ส่วพระอาจารย์ีท่านจะเข้าเข้าออกช่วงเข้าภาษาท่านักจะติดตัวไปตามภาษาตามลาพังเอาภาษาทห่มาได้กลับอองานที่พรอาจารย์ก็มีท่านท่า น, านอาจรลินถ ว, ว, วายท่านปัญญาท่านเชอรี่ท่านเอี่ยม ้ก็มีพระชายอยู่รูปสองรูปจำจำชื่อท่านไม่ได้ท่านเขท่านอยู่ไปไม่นานนะท่านก็ออกใส่มองลงมาก็มีท่านท่านสุดใจแล้วก็อจะมาแล้วก็ท่านพูนเลยโอ้ยโดนดุดุงง่ายอยู่กับทุกทุกวงไไม่ได้ดูเหะทุกคนเรียบร้อยหมดหมดหมดไม่ดูทั้งหมดเวลานั่งเวลานั่งนั่งเหมือน ตั้งตั้งอยู่ข้าง้างวนตรงที่้งอ่างศรีตั้งนี่แท่านจะนั่งตรงเสารอพระอาจารย์มณีประถาบสาย้วก็เแล้วโค้งมาแบบนี้แนีเรียกว่าใกล้ีวมองเห็นนก็มองใกล้นี่ฟัเคี้ยวยังได้ยินเคี้ยวยังได้ยินเคี้ยดังไม่ได้เลยตอนนี้หลวงพ่อเพียรนไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้ว ขอโทษท่านอาจารย์เป็นเด็กเรียนะคะทุกคงคเป็เดเรียนหมดยกับทานงตาเนด็กเรียนเลยท่านอาจารย์ขึ้นเคยกับท่านอาจารย์สิงห์ทองคไ่เคยเเคยเห็นท่านท่านไปเยี่ยมหลวงตาครั้งสองคั้งอาจารย์สิงห์ทองท่านเป็นคนคนท่านที่จะถึงดังมีท่าทางที่รู้สึกว่า มีบารมีนะนเป็นคนที่คนเห็นแล้วก็ตลังเสียระจายาเกงท่านก็ท่านเคยปรารบ่าท่านคงฝากศบท่านไว้กับท่านจารีณทองให้ท่านจารินทองจัดฌานเรื่องงานศพทั้วเรียบร้อยนี่เป็นปัญหานีมเสียดายว่าท่านจะไปก่อน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 ตอนนั้นหมวงตาอายุถึงหกสิบเยงครับประมาณทขาคมตอนที่เราไปก็ยังดนแอีูตอนนี้เราหกสิบจ้าเตอนนี้ากสิบเ็ดคุณลกเพียงได้เวลาสิบลูกท่านอาไม้เคาะเคาะเคากเรียกชาวบ้านนตอนหลังไม่มีแล้วน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 ท่านก็จะท่านท่านจะมีไม้ที่ปลายมันจะเป็นทำด้วยมะพร้าวเนี่ยเะเขาใช้สลับเทปเนยเทปน้ำบนเน่น้ำผมน้ันเปนดิดางมนจใช้ดําเป็นข้อข้อขกับพุงกกกบงก็จะรู้ว่าอาถึงเวลาที่ขึ้นมานข้าวมช่คุณ้ชายคุณผู้ชายเป็นผู้ชายค่ะ ไม่ galaxies, แล้วก็ย่าจูงหมือนว่างเขาอยากฟังหลงตานะที yeah. ่ด yeah. yes. ีๆของท่านมีเยอะแยะเยอะมากชนทำชุดเตรียมพร้อมนี่เปิดได้ทุกคืนเลยทั้งต่อนหนึ่งคือละชุดต้งเวลาสามเดือนถึงจบนะ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 ท่านตัจนะครับขอเรียนคามปันหาเลยครับลูก็ังติดเวทนาอยู่ค่ะท่านค่ะเป็นโรคไขข้อแล้ ว, ลวพอนั่งได้ระยะหนึ่งนีเจ็มันจะบอกให้หยุดหุดนั่งให้ออกก็ถึงจุดนี้ที่ไลเป็นโกคที่เป็นเพราะสปิยังไม่แก่กล้าหรือว่ากินสีห้ายังไม่พร้อมค่ะท่าน ว่าสติมันก็เป็นหนึ่งในอินรีย์ห้าเป็นตัวองค์ประกอบที่สําคัญคถ้ามีสติสมมติว่าเวลาเราเริ่มนั่งแล้วเรามีสติ อ, อยู่กับการบริกรรมไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่รรเพราะว่าความเจ็บที่เกิดจากใจตูงแต่งขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่แต่ขึ้นความเจ็บที่เป็นของร่างกายนั้นมันจะไม่ไม่ไม่ไมรุนแรงเหมือนกับความเจ็บที่เกิดจาก เพราะว่าความความปรุงแต่งของใจตอนนั้นใจไม่มีโอกาสปรนงแต่งความความกลัวความเจ็บไ ด, ด้ก็เพราะว่าตอนนั้นสติคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานถ้ามีเงื่อนไขมันด้วยมันก็จะพ่านมันจะนั่งได้นานแล้วถ้าบางทีก็อาจจะสงบด้วยหรือบางทีอาจจะไม่สงบแต่มันก็ไม่ไม่เจ็บไม่ค่ะค่ะส่วนมากเองจะไม่สงบแล้วก็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 พุทโธนี่ไปเลยใจมันติดอยู่กับพุทโธมันจะเจ็บอะไก็ยอมให้มันเจ็บไปเพราะว่าสติยัง่แข็งอใจมันยังไม่ถึงถ้าใจถือความ่ลาดได้ใช่ใชมันอยู่ตรงนั้นพอปฏินัตนเน้นแทนที่จะรู้ก็เออยอมสูอีกเครื่องนึงยอมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธต่อไปไม่ไม่ไม่ไม่ไม่สนใจความเจ็บ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 เป็นเวลานานๆเงี้ยเกิดการไม่ดีขึ้มเนีีแสดงว่ายังยังมีความกลัวกลัวในสังขารอยู่กลัวว่ามันจะไม่นั่นไม่เป็นตัญหาเรื่องน่กายนั่งเฉยๆที่การพอไปเที่ยวกันมากกว่ายันยันเครื่องบินตกบันไดบ้าง รถไปชนเงินบ้างอะไรบ้างไปพิการย่านแบบนั้นใช่มากกว่านั่งเฉยๆไม่ค่อยมีใครทีิการใช่ไนั่งจนตายก็ไม่ค่อยมียอละ ก, กบนนันไดเนี่ยเนาะท่พระเจ้าจาัรลุ้นท่านกทรงประทับตั้งแต่หกโมงถึงสว่างก็ท่านก็ม า, า, มาทีิการยามรล้ท่านก็ดูตัวอย่างถ้าอาจารย์เเป็นไรเพราะเพราะมันนั่งมาที่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 เวลาไปสุขสนามมันไม่เคยเห็นห้ามเราเลยนะว่ามันไม่ดีส่งเสริมเราตลอดมีแรงรห้ต้องมีแรงนี่จะเก็บกับปวดจะเอาความดีก็้น่อยมันจะไม่ได้ถ้าถ้าอยากจะอยู่ใลกล้หลวงตาก็เปิดธรรมเอาน้านั่นฟังไป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 ไม่มีร่างกายแล้วท่านก็ไม่สามารถที่จะอะส่งเสียงมาให้พวกเราได้เราก็ต้องอาศัยของเก่าที่ได้ได้บันทึกเอาไว้ซึ่งก็เหมือนกันน่ะท่านสมมุติ ถ, ถ, ถ้าท่านอยู่วันนี้ท่านก็พูดเรื่องเดียวกัน<ม>ที่ท่านเ<ม><ม>คยพูดมาตั้งแต่<ม>ท่านเริ่มเทศสัง่งสอนญาติโยมมาตลอดระยะเวลากี่ปีนี้ท่านก็พูดเรื่องเก่านี่แหละไม่มีอะไรใหม่แล้วไม่เลื่ออะอรไม่เบอะไรจริง ที่ถึงซีดีแล้วนึกถึงท่านจตุจัญาณนะเราคิดมีบุคุณท่านอิงคุณคุณเรื่องนี้มากท่านทํำให้ <holiday> เ, เราคนลูกหลังได้ฟังอ๋อท่านจตุจัญญาจะมีอีกตั้งสามพันกันที่ยังไม่ได้ถอดนะคะครับหลวงพ่อทุ่นท่านอย่ากเสริมมาเถอะยังมีอื่นอื่นอีกอที่ยังเป็นเทปใหญ่ๆสมัยท่านจตุจัญญาที่วัดอีกลูกต้องมันจะมีช่วงช่วงแรกที่ท่านมาเสริมธรรมตอนนั้นลูกไปแล้ว แล้วก็บันทึกบันทึกไว้ตอนเช้าท่านก็พูด ก, กับคารว่าแต่ดีค่ะตอนนี้พอดีมันเป็นชัดเสร็จแล้วลูกก็ไม่ได้เล่นหมดไม่ใช่ตรงนึงพอพอเราเป็นสใสซีดีลูกก็เอออีตรงนั้นก็เลยให้คนอื่นไป็นเพื่อนเพราะตอนนี้สุ่เสียใช่ไหมคือมันไ้แต่งเขายังไม่ได้แต่งเป็นดิจิตอลใช่ไหมแปลงบ้างไม่แปล ง, ปลงบ้างไม่แป่งบ้างทําไม่ทันทำไม่หมดเนี่ย มันไม่ทันเพราะท่านพูดทุกวันเนี่ยตอนนี้เมืก่อนนี้เราก็โง่ด็กดิขยังโง่อยู่นะแต่ทำไม่พว่าเออเขาก็ไม่ได้เก็บมาผมตอนนี้ยกไวันอยู่หเรงพ่อทูลขอรวบรวมขอรวบรวมนลวงพ่อท่านจะชาระค่ะไม่จะชาระของท่านแต่ว่าจะเอาคัดว่าเข้ามันไม่ดีท่านก็บัิจุไว้ในเจดีที่วัดค่ะแต่ว่าจะทำไม่ให้ดีค่ะ เลยท่านเลยให้พวกลูกทํากันบ้านดีมากนะกัรบ้านที่ท่านทำนี้เพราไมื่อเราทบทวนต้องตั้งใจคือเมื่อก่อนก็ฟังไปเรื่อยเพราะบางทําสมาธิก็ฟังไปก็ไม่ได้เหมือนพออันนี้ต้องต้องฝังต้องเอาต้องวดใบายบทเลยังจะได้เยอะเนี่ยก็แกทําปฏิปทาทั้งเรื่้ยได้เลยจะได้เยอะ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 หอเขาเชิญ ท, ทาเป็นไฟล์ PDF แล้วเราจะได้เอาเข้าไปใส่วไว้ในเล็บเพือนัการเมฆายะคือมันก็เหมือนหมนของท่บบรรานปัญญาก็เหมือนกันแหละมนะไม่ต่างกันท่านปัญญาท่านก็เขียนภาษาจะดีกว่ใที่ได้เแ้าไปทีนี้ของเราก็อยากจะเก็บไว้เป็นอนุสร์ว่าก็เหนื่อย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 จะมีน้องๆในกลุ่มช่วยจิ้นพิมพค่ะทั้งต้องต้องบอกเขาช่วยจิ้นพิมเยวหลายคนเพราะไม่งั้นเราจะออกมาถึงตรงนี้ก็แทบตายค่ะหมายถึงพิมใหม่คือถ่ายออกมาแล้วก็มาพิมไม่งั้นมันมันทันทีค่ะพอาะเขาไปช่วยจิ้นพิมพ์จะมาดูชั้งตรวจค่ะคนตรวจสุดท้ายก็หนื่อแต่ว่าพวกมือทำเยอะมา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 ที่สองยังไม่เศษไปช่วยมัวแต่ไปช่วยอะเศาเนี่ยฟังของหลวงตาด้วยไม่เยอะก็ไม่เวลาก็อยู่ที่สองมาเร็วก็ทำเร็วช้าคูออยู่ค่อยๆคิดคดีกันก็งานจะได้ไม่แน่นพดันมากเป็นข้าะท่านกงอยู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 ถ้าสรุปว่าาทำอะไรนี้เดินเขอาไปเกิดแก่เจ็บตายเกก็เป็นการเจริญสติได้ได้ได้ใช่ไหมคะถือวบกลุใจ ไ, ไม่ให้คิดทุงสร้างไม่ให้ไปรอยไปที่อื่นลูกกำลังปักปักโพสต์ิสูจของสมเด็จพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านประกาศตอนที่ท่านเทศนาประรปถมเทศนาครั้งแรกกับเป็นจุฬาคีรนะคขที่ปักไปก็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 เศษหึงส่วนสี่นี่คนที่เขาช่วยปักที่แรกเขาตายไปแล้วกระสั่นเขาเป็นมะเร็งตายก็ทุกครั้งที่ปักคนเึกถึงเนียสักสีกรูปประกุทธเจ้าที่ที่ปักกันนะคะเพ mm hmm. ิ่งเศษหึงส่วนสี่ที่ปักเน mm ่ย hmm. เพื่อนเป็นคนเดนมาร์ก mm hmm. เขาเป็นโรคมะเร็ง À, แล้วเขาก็บอกว่าเขาป้องเขาเลงทำสมาธิสุดเขาเคยไปหัดเรียนทําสมาธิกับโยคะนะคะเขาบอกเขาไม่ค่อยชอบทําสมาธิแต่เขาเขาชอบปักก็เลยเอาลูกเนี een, okay ่ยแ okay. ้ก็ปักพ่อเขาตักไปได้ส huh. ักเศษหนึ่งชิ้นะคะพ่าก็เสียใจที่แรกเขบอกว่าเขาจะไม่พูนจนกว่าลูกจะเสร็จแต่ลูกหลวมมากนะคะตักปักคอสตินเป็นเล็กๆนะคะพ่อเสียหนึ่งชิ้น เขาก็เสียค่ะทุกครั้งที่ลูกากขึ้นมานี่ดิ้นอาเอสี <ม S 2> ยเกแกะจะต า, ตายตายคนที่ปากสียงตายแล้ว<อ>ลูกที่จะอยูป่ปากเสี ย, ตยงตาก็ยงี <c oughs> นั่นแหละคิดถูกแล้วใหลคิดอย่างนั้นจะได้ไม่กหมายจะได้ดี้นทำกิจที่ ต, ต้องทำกิจที่ไม่ทำก็ปล่อย เนีเ่ยเราเรียนที่พูดถึงงานของตาเนี่เราเคยคิดถึงว่ามันจะย้อนกลับมาแล้วเคยย้อนกลับมาที่ตัวเรากันกบ้างเขาเปล่าว่าเราก็จะต้องไปนอนอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่เรายังจะอยู่แบบเดิมๆเรื่องว่าเราจะรีบ <c oughs> เล่นความเพลิี่ภาวนาาเท่านตั้ถายังห่วงยังห่วงอะไรอยู่เลย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 คือใจเราแม่กระสับกระสายแล้วใช่เป็นเรื่องกาแม่กระซับกระสายแล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไนะมันจะนิ่งได้กําลองอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาแคนั้นเ่งทำสามสามทที่สามัก็มีสามตัวนี้สติสมาธิปัญญาเป็นองประกอบของของพลังจิตเรามีอีกสอก็มีศรัทธาแล้วก็วิียะ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 พอได้สติแล้วก็จะได้สมาธิแล้วก็จะได้ปัญญาตามลํำดับต่อไปแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นเองนะคือสตินั่นก็เป็นส่วนสติสมาธิก็เป็นสมาธิใ น, นเวลาเราจะเริยนสติเราทำอะไรเดินน้กลมเรามีสตินี้มันก็ยังไม่ได้เป็นสมาธิเต็มที่จะได้สมาธิเต็มที่ก็ต้องไปนั่งจับตานั่งขัดสมาธิทำนันคือทําต้องให้กายนิ่ง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 แล้วก็อยู่แบบรับรู้เฉยๆนั่นเองใจเป็นกลางอยู่ตลอดเวลาเช่เดียว่าความเจ็บปวดของร่างกายก็มันก็มีเจ็บบ้างไม่เจ็บบ้างสลับกันไปเวลาเจ็บก็เหมือนกับไม่เจ็บเวลาไม่เจ็บก็เหมือนกับเจ็บคิดอย่างนั้นนะก็อยู่กับมันได้นี่คือเรื่องของปัญญาเนะแี่เรื่องต้องทําสลับกับสมาธิ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 ใครก็มองว่าสัพเพธรรมานัสตาทำอะไรไม่ได้ฟังกันที่ลวงตาพูดทุกอย่างนี่ขับกันสัพเพธรรมานัสตาอย่างมันจะลงตรงนั้นถ้ามันเห็นตรงนั้นแล้วมันก็จะปล่อ ย, น, อยนั่นกายก็เป็นสัพเพธรรมานะสตาเวทนานก็สัพเพธรรมานัสตา ความสุขความสายความสว่างใ้จิตมันก็เป็นของเบธามานาตามันไม่ทิ้งมันเป็นสมมุติเพอะปล่อยบมดแล้วมันก็เหลือแต่ของที่ไม่ใช่เป็นสมมุติอันนี้มันไม่มีควางเปลี่ยนแปลงไม่ขึ้นไม่ลงไม่กลับไม่ดับอันนี้จะเป็นกติณีทั้ทง เอาวางไว้ดีก่าเนของฉันเอาวางะเดี๋ยวจให้เวาง่กไ้ไม่ดลก้ทำงวที่ไปทาบุญกับหลวงพ่อเขามื่จะใช้สิษย์แใช้ลของท่านเอาไปใช้ส่วนตงลูกก บอมถกอรู้สึกว่าทาไมเขาทาบุญเขาก็รวยนะคะทาบุญเก่งมากร้สึกเอดีใจนะเห็นเขามาทาบุญก็ถือเป็นอย่างดีแต่เขาเห็นกิจกรรมเขารู้สึกเฮ้ยมันรับไปได้ไม่ใช่ปัญหาไม่ได้อยู่กิจกรมปัญหาอยู่ที่เราทำไมเราไม่ปล่อยเขาทำไมเราไปยึดเราไปเนี่ยเรื่องว่าตายโอ้ยรูกจริงๆเลยตรงน้เราทำรายได้หรือเปล่าใช่ไหมก็ แต่ละคนคนเราแต่ละคนก็มีกิเลสต่างต่างไปัการกระทำนี้มันก็จะขัดกับความรู้สึกของคนข้างันก็นิ่งไม่เห็นแบบผมน่าจะนิ่งนั่นเชยเราเจยไม่ได้รู้สึกสงสรแบบเราไม่มีโอเบชา่ายรู้รู้แล้วว่าลูกสอบตกตอนนี้ ท่านอาจารย์นั่งฟังไรเวลาท่านอาจารย์ทำไมมันรู้สึกมันยากง่ายแล้วนอาจารย์ก็ไปทง่ายอะไรอย่างเงี้ย่อาเองไมยากอ๋อมันก็เหมือนเวลาเราหัดพิมบินใหม่ๆเห็นคนคนที่ก็พิมพ์เป็นแล้วของทางก็พิมพ์ง่ายเหลือเกินแเรานี้มาจิ้มทีเดตัวจิมทีเตัวเพราะเรายังไม่เราไม่ได้ฝึกขัดคิดในทาง เราจะคิดไปในทางทางการหาอยู่ตลอดเวลาทะไรก็อยากทำตามความอยากของเราอย่างที่เมื่อกี้มาพูดนี้ก็เรื่องของความอยากของเราเราอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมเขาเขาเาเเป็นอย่างนั้นทุกมันก็เเกิดที่ใจเราแล้วก็เกิดที่ใจเราเพืปติเราไม่เคยมองใาใจเราเราชอบไปมองข้างนอกแล้วเอาความอยากของเราไปกระทับตาไว้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามอง นี่เราต้องใช้ปัญญาเราต้องเอาเอาธรรมะไปประทับที่ขว่าเขาอนัตตานัตานตาเ็นตการจริงเหรอจหตุการจริงนี้เราจอการ์จริงนี้เราปั๊บหลบกลับไปเฮ้ยทไมเราตกรูสไปไม่ทันสติเราไม่อยู่ขนาดตานนั้นกถึงข้าจเลยนะว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้นะยังยังรู้สึกโอโะ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 ก็ได้ก็ใช้ใช้ภาพนี้เป็นเหมือนกับเป็นปัญญาออกเป็นสมาธิไปเข้าใจไหโดยที่สุดเป้าหมายก็คือต้องการให้มันสงบนิ่งอยู่ดีสงบนิ่งเพื่อให้มึงกำลังที่เจ็บดึงให้เรามาเข้ามาที่ที่ที่ใหเราคิดในทางมาคอดในทางเกิดแก่เกิดตายท่องไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคบ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 สมาธิมาค่ังเวลาที่รจรณาทำเล่นคอตอนั่งสมาธิออกออกมาแล้วเนี่ยเวลาพิจรารณาทำเล่นครับท่านลูกก็ท่องไปตามที่ท่านอาจารย์สอนนคะคะไม่ได้คิดแตกแยกออกไปนี่แสดงว่าปัญญาเรายัางไม่พอไม่พ อ, อต้องนึกภาพกินะนึกภาพว่ า, <พ>าเราต้องเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเราทําใจได้หรือเปล่าหรือเราต้องสัมผัสกับสิ่งที่เราไม่ชอบเช่นเจอคนก็ด่าเรานี้เราทําใจได้หรือเปล่า น, นี่ด้าเป็นการทาการบ้านไปก่อนคนกล้าจะไปเจอเหตุการณ์จริงเขาเจอเหตุการณ์จริงจะหลุดหรือไม่หลุดถ้าหลดต้งเรยว่าเหมือนคณมวยชก ป, ป, ประ ส, สาทตาเก่พกงพอกึนเลยทีก็ยังถูกเขามากเลยไ่ <c oughs> ต้องกัไม่เป็นไรทำมันไปเรื่อย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 อยู ais, ่ก no, ับเสือบางอยู่กับเสือถ้าสวมนตเสือนะเจ้าเราอาจวไม่ได้พอสวดไปปุ๊บเรากเราก็ตาม แต่เพ้อแว๊กเดียวแล้เอ๊ะบทนี้สวดผ่าน่ฉันตีหลุดเลยใช่ไหมเอ๊ะทำไมมันหลุดไปตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้สึกตัวไม่รู้สิตัวเลยอ่ะมันมาอย่างไรยังสวดสวดสวดมันมาเหมือนกับเมฆที่ค่อยๆ่อยลอยเข้ามา มไม่รู้สึกตัวใชู่้ที่าถาจะได้เยอะแล้วทำวัดเย็นบวชไปทั้งทั้งทั้งท้ที่สวดเสร็จแล้วนะท่านอาจารย์ที่สงนัน้นี้เดเสร็จตัวแล้วบางทีก็สวดไปด้วยสวดไปด้วยจกเสียงด้วยนะคะจายก็เหมือนจายใจก็ไปคิดเรื่องอื่นได้มอราเสร็ตัวเพื่อความละเอียดทุกใจมีวออย่าซ้อนขมาสอย่างสาอย่างในใจก็คิดว่าไม่ได้คิดอะไรนะะแต่ว่ามัน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 แล้วก็ปัญญาก็ใช้ปล่อยวางปล่อยวางเราไปห้ามก็ไม่ได้ห้ามใจเราได้แต่เราห้ามอย่างอื่นไม่ได้นามข้รอรือยามข้อหรืยามข้อรือามขใครทากรรมใดไว้ก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั่นไปเ น, นั้นเอง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 เดี๋ยวค่ะเดี๋วค่ะเดี๋ยวค่ะไม่ไ้่แต่แต่จานถือว่าเวลาเราทำบุญมากเลยเราเลาเสียของเราไม่ค่อยสึกสไดายคือเราต้องไปไปปล่อยชีวิตร่างกายเราให้ได้ถ้าเราปล่อยชีวิตร่างกายเราได้ของไปนอกเราจะรู้สึกเฉลยใช่คือเลยงผู้เสียใจราเรารังอะไรมากที่สุดเยรักการใช้ชีวิต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 ผานามขันพอผ่านนามะขันเข้าไได้ันี็จะไปเจอไอท่าละเอียดที่อยู่ภายในจิตีทีพ่ที่ลูกทั้งลูปรลาคะอรุปราคานี่ใ่ไหมคะบางท่านที่ไม่เข้าใจบางบางทีอะไรไม่เข้าใจทุกทีบรงทีแต่ท่านไม่ได้เทศละเอียดนะคะเทศเป็นเรื่องสงสานตัวเองเถิดนะคะที่เทศเกี่ยวกับติ๋วเนี่ค่ที่ตอนที่สามีเข้ตายนะคะนั่นแหละ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 ถ้าสมมติว่าถ้าอาจารย์ไม่ได้เคยฟังหนูฟังมาก่อนก็ต้องไปค้นหาเองนะไม่คนน้นมันจะคลิดมันจะติดตรง น, นั้นก่อนเลยมัใ น, ในคิดว่านี่คือนิพานอ่ะใช่ควหมายเพราะอาจารย์ก็จะต้องหเพราะความสง บ, บ, บความสงบที่ละเอียดที่สุดก็คือตัวประพาสอนนี้โอ้โหทีแก้มันจริงแต่ละองค์ก็แต่ับท่าจริงมันจะถ้าอยู่ไปนานๆจะเห็นว่ามันเป็นอนิจจังมันจะว่างแล้วเดี๋ยวมันก็จะมัวหมองลงมา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 มันก็จะตักยามัจะเที่มาถึงแบนแบบคุณแม่แล้เราจะถึงไม่ได้เลยเหรอครับโอ๊แค่กระเป๋ากระเป๋าไว้นี่ทิ้งให้ได้ก่อนสามพันละสามเทดินไปแล้วเสียยาให้ไปซ่อนอย่นี้หรือไม่ลึกหลังเลยเดินไปแล้วสามพันกะเป๋าไม่ ไม่ดีเลยโอ้คหยำเลยด๋ นี่ก็จะกล네<ๆ>ับมาเ <Laurie> น <ife> ินน <kindergarten> <fire> <respir> er <intake> ี้แล้วค่ะปีหนึ่งมาสุดในรายแบบกลับไปกลังมาอย่างนี้อ่ะแต่ก็ปฏิบัติได้มากเลยเพราะว่าติดวดมที่นั่นดีมากค่ะเาอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่อยากโดนโทษยแล้วยังอยู่เมืองนอกนี่ต่างคนต่างไม่ยุ่งกันเลยโ้เาไม่ยุ่งแล้วเขาอยู่บ้านตลอดก็ฟัง เทปท่าอจารยนหทั้งเคปเปือยแบบูทุกอย่างผเดินโยงมตั้งนะเดินในบ้านก็ได้เนแคสิบเ้าสิบห้าเ้าเดินกลับไปกลัเมยถ้านั่งอย่างเดียวมันนั่งใจมันจะรุเดนจะดูลังนั่งายจะกระพี้กระป๋าด้านบ้านจะมีสัตว์่พอเดินได้พอนั่งด้ค่อย่าขี้เกียจพยายามเดินเนี่ยเราจะมันจะช่วยลด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 รา้การข้าเคอแต่พอข้าเ่นเจริญัญญานี่ก็เดินมากกว่าเระสมมนั่งงมาที่สมัตอนนั้นลุกขึ้นเดินแล้วเก็เดินข้าวไปเนี่ยนะคะปแก่เจ็บใคุณนั่นกับตายคนนี้กัตายเราก็ต๋องตายลึกไปสามีกัตองตายบางทีองกลางๆเขานึกบ่อยก็ตายแน่นอนเราอยู่ได้ไม่อยู่เขาได้ยินไมับได้ยินงาี่เ นั่งรถกลับมาจากจะอําคนเดียวนะคะก็เป็นขนาดบางทีก็อาจจะดีกุบัตินีา้แต่จริงๆแล้วเวลาเขาตายยังจะร้องไห้คหยโหรือเปล่าไม่ทราบอันนั้นก็เป็นเวลาที่ขึ้นเท้าห้องสอบแล้วตอนนั้นที่ระหว่งที่เราคิดนี่เราเราเราดูเตัวไว้ก่อนร้อมไเหมือนกับนักกีฬาพร้อมก่นยังไม่ได้เข้าสนามสนาม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 ได้ทันทีเลยเกิดความกลัวตอนไหนแล้วเราดับความกลัวได้ตอนนั้นด้วยการปล่อยยอมปลยอมตายอยนี้เพมันก็จะได้ทันทีถึงแม้ว่าภัยที่ทภัยที่เราเห็นหน้าจะเป็นไม่เป็นภัยจริงก็ได้แต่ถ้ามันใจเราคิดว่าเป็นจริงทุกอย่างเนี้ยแล้วเราปลงได้ตอนนั้นมันก็มันก็ใได้แล้วมันไม่ต้องไปเจอของจริงก็ได้ทำเหมือนดับจำลงอำลงอแต่มันจําลองแบบที่เราเชื่อว่าเป็นจริงว่ามันจริง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 แล้วหมอว่าเขาจะมาช่วยเอาถอนถอนทีงนูออกคนก็ต้องถามก่อนว่าใครเป็นคนยิงเป็นยิงเป็นชายเป็นเป็นเป็ น, นชนชั้นใดเพระเจา้าอย่าไปเสียเวลาถามข้อมูลเหล่า น, นี้เลยมันไม่มันมันไม่เป็นปัญหามันไม่เป็นประเด็นนะผู้ัประเด็นมันอยู่ที่ว่าตอนนี้เราถูกลูกศรมันทึ่นอยู่ที่ร่างกายเราต้องการรักษาร่างกายแล้วก็ต้องดึงไอ้ลูกนี้ออ ก, ล ก, ลกสลายและรักษาแผลในใจเราก็มี